บุ๊กทสาสิสบนรถไฟนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับรถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับขอโทษครับผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครั บ, รบผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Мне сдается, вы сидите на м о и м месте. т у концы а д е з находится с п а л ь н ы й в а г о н т у а л ь н ы й в а г о находится н у к о н ц ы техника. И в а г о н р е с т о บ а н находится в д е х о д и т с я вагон-ресторан У г о л о в е ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ ожna ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ ожna ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ ожna เราจะถึงชายแดนเมื่อไร мы будем на м'яжи ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไรครับคุณคจะใช้สูญมิได้หรอกเดิมเบอร์ลรถไฟจะเข้าช้าไหมครับคุณมีอะไรอ่านไหมครับที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ คุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับ